พระไตรปิฎกเล่มที่ส2องอคัตถูปมาสูตรอุปมาด้วยอสอรพิษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุชื่ออริฐ h ผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่ธรรมะก่ออันตรายหมายถึงธรรมะก่ออันตรายห้ายอย่างคือหนึ่งกรรมได้แก่อนันตริยกรรม 2. กิเลส ได้แก่นิตยมิจฉาทิฏฐิ 3. วิบากได้แก่การเกิดเป็นบันดกสัตว์เดรัจฉานและสัตว์สองเพศ 4. อริยุปววาสได้แก่การว่าร้ายพระอริยเจ้าและ 5. อาอนาวีติกะมะได้แก่อาบัตเจ็ดกองที่พิกษุจงใจล่วงละเมิดพระอริ t h รูปนี้เป็นผาหูสูรเป็นธรรมะกระถึกรู้แต่อันตรายกธรรมบางส่วนแต่ไม่รู้เรื่องอันตรายกธรรมแห่งการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติเพราะเหตุที่ท่านไม่ฉลาดเรื่องวินัยดังนั้นท่านจึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่าพวกครืหัดที่ยุ่งเกี่ยวอยู่กับการมคุณที่เป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มี แม้พวกภิกษุก็ยังเห็นรูปที่น่าชอบใจที่จะพึงรู้ด้วยจักษุยางถูกต้องสิ่งสัมผัสที่จะพึงรู้ด้วยกายยังใช้สอยผ้าปูผ้าห่มอ่อนนุ่มสิ่งนั้นทั้งหมดยังถือว่าควรเพราะเหตุไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของหญิงจึงจะไม่ควรสิ่งเหล่านั้นต้องควรแน่นอนครั้นเกิดทิฏิชั่วขึ้นมาแล้ว ก็โตแยงพระสัพพัญยุตยานคัดค้านเวสารัชยานใส่ต่อและหนามในอริยามรรคว่าฉะไหนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติปฐมปาราชิกอย่างกวดขันประดุดกั้นมหาสมุทรในข้อนี้ไม่มีโทษประหารอาณาจักรของพระจินดเจ้าด้วยกล่าวว่าเมถุนธรรมไม่มีโทษ ภิกษุหลายรูปได้ทราบข่าวว่าทิฏฐิชั่วเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่อริ t h ภิกษุจึงเข้าไปหาเพื่อถามว่าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่อริ t h ภิกษุยอมรับว่าจริงดังนั้นลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องอริ t h ภิกษุจากทิฏฐิชั่วนี้จึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนด้วยคำพูดว่าท่านอริ t ฐ a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 กรมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การมทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การมทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเปรียบเหมือนคบเพลิงญ่าเปรียบเหมือนหลุมทานเพลิงเปรียบเหมือนความฝันเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมา เปรียบเหมือนผลไม้คาต้นเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อเปรียบเหมือนหอกเหลาเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่อริ tha ภิกษุถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้แต่ก็ยังกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอยู่อย่างนั้น เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริธาภิกษุได้จึงพากันไปเฝ้าพระผุ้มีพระภาคกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบครั้งนั้นพระผุ้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกอริธาภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแรง้งเข้าเฝ้าตรัสถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่เธอเกิดทิฏฐิชั่วอย่างนั้นเธอยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครเรากล่าวธรรมะที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมะเก่ออันตรายโดยประการต่างๆมิใช่หรือละธรรมะเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงเรากล่าวว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่โมคะบุรุษก็เมื่อเป็นเช่นนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนาน ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรอริ tha ภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งนี้จัดกระทํายานให้สูงส่งในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความสูงส่งแห่งญานเรไ ร, ไร ที่จะพึงมีนั้นจะมีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วอริท h a ภิกษุก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานพระผู้มีพระภาคทรงเห็นดังนั้นจึงได้ตรัสกับเธอว่าโมคะบุรุษเธอจกปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนี้ เราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็รู้โทวถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เหมือนที่อริธาภิกษุผู้มีบรรพบรุษเป็นพรานฆ่านุกแรงนี้กล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเอง และชื่อว่าประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมะทั้งหลายที่เก่ออันตรายว่าเป็นธรรมะก่ออันตรายแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยประการต่างๆและธรรมะเหล่านั้นก็สามารถเกาออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความครับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วชอบแล้วภิกษุทั้งหลายที่เธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เหมือนที่เรากล่าวแล้วก็ฤทธภิกษุนี้กล่าวตู่เราด้วยทิฏ ฐ, ฐิที่ยึดถือไว้ผิด ชื่อว่าทำลายตนผิดและชื่อว่าประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แกอริธะโมคคบุรุษนั้นตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่อริธาภิกษุนั้นจะเสพกามโดยปราศจากกามปราศจากกามสัญญาและปราศจากกามวิตก การเล่าเรียนธรรมะของโมคคบูรุษภิกษุทั้งหลายโมคคบูรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติอุตตกักชาตกะกักอภูตะธรรมและเวทัลละสุตตะได้แก่อุปโตวิพัง นิเทศขันธกะปริวานมงคลลสูตรปราตนาสูตรนานละกูตรตูวัตกะสูตรในสุตตานิบาตและพุทธวจนะอื่นๆที่มีชื่อว่าสุตตะเขยะได้แก่พระสูตรที่มีคาถาทั้งหมดโดยเฉพาะสักขะทวักในสังยุตตนิกายเวยยากรณะได้แก่พระอภิธรรมปีดกทั้งหมดพระสูตรที่ไม่มีคาถา และพุทธพจน์อื่นที่ไม่จัดเข้าในองค์แปดที่เหลือคถาได้แก่ธรรมบทเทระคาถาเทรีคถาและคถาล้วนในสุตตานิบาต ท, ที่ไม่มีชื่อว่าเป็นสูตรอุทานได้แก่พระสูตร82สองสูตรที่เกี่ยวด้วยคถาที่ทรงเปล่งด้วยพระหาฤทัยสหรัชกด้วยสมณสยานอิติอุตตกัก ได้แก่พระสูตรหนึ่งสูตรที่ตรัสโดยในว่าวุตตมิทังภัควัตตาเป็นต้นชาติกได้แก่ชาดกห้าห้าสเรื่องมีอปันกัชาดกเป็นต้นอปภูตรธรรมได้แก่พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏทั้งหมดที่ตรัสโดยในว่าภิกษุทั้งหลาย ข้ออัศจรรย์ไม่เคยมีสี่อย่างนี้หาได้ในอานน์ดังนี้เป็นต้นละเวทัละได้แก่ประสูตรแบบถามตอบซึ่งผู้ถามได้ทั้งความรู้และความพอใจเช่นจุละเวทัละสูตรมหาเวทัละสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรส ก, กับปัญหาสูตรสังขาราภาชนียสูตรและมหาปุณมะสูตร ภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกตกะชาตะกะอภูตรธรรมและเวทันละพวกเขาเล่าเรียนธรรมะนั้นแล้วไม่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขา ผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมคะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะมุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมุ่งจะเปลืองตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมะนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมะได้รับธรรมะเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพวกเขาเรียนธรรมะทั้งหลายมาไม่ดีบุคคลผู้ต้องการงูพิษเที่ยวเสาะสแสวงหางูพิษเขาพบงูพิษตัวใหญ่จึงจับมันที่ขนดหางหรือที่หางงูพิษนั้นจะพึงแวงกัดเขาที่มือที่แขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งเพราะการถูกกัดนั้นเขาก็จะตายหรือได้รับทุกข์ปางตาย ข้อนั้นเพราะเหตุไรราะเขาจับงูพิษไม่ดีแม้ฉันใดโมค้าบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราเรียนธรรมะแล้วไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาโมค้าบุรุษเหล่านั้นเราเรียนธรรมะมุ่งจะข่มขู่ผู้อื่น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 หมายถึงเล่าเรียนมิตรธรรมาปริยัตยแท้จริงปริยัตยมีสามในยะคือ 1. อลคัตทูปริยัตยการเล่าเรียนเปรียกด้วยงูพิษได้แก่การเล่าเรียนมุ่งลาบสการะด้วยคิดว่าเราเล่าเรียนแล้วจะได้จีวรหรือคนอื่นจะรู้จักเราใน่าำกลางบริษัทสี 4. 2. มิตรธรรมาปริยัตย การเล่าเรียนมุ่งประโยชน์คือการออกจากวัดตักได้แก่การเล่าเรียนด้วยตั้งใจว่าเราเล่าเรียนพุทธพจน์แล้วจักบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ให้ได้สมาธิเริ่มเจริญวิปัสสนาแล้วจักอบรมมัตตจักทำผลให้แจ้ง 3. พันธะค า, าริกะป ร, ะริยัติการเล่าเรียนประดุษขุนคลังได้แก่ การเล่าเรียนของพระขีณาสกเพราะท่านกําหนดรู้ขันแล้วละกิเลสได้แล้วอบรมมักทำให้แจ้งผลแล้วเมื่อเล่าเรียนพุทธพจน์เป็นผู้ทรงแบบแผนรักษาประเพณีตามรักษาอริยวงดังนั้นในพระสูตรนี้จึงหมายถึงดิธรระปริยัติการเล่าเรียนมุ่งประโยชน์คือการออกจากวัดตั บุรุษผู้ต้องการงูพิษเที่ยวเาสาะแสวงหางูพิษเขาพบงูพิษตัวใหญ่จะพึงใช้ไม้มีง่ามเหมือนขาแพะกดไว้แน่นครั้นแล้วจึงจับที่คออย่างมั่นคงถึงแม้งูพิษนั้นจะพึงรัดมือแขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นด้วยขนดก็จริงถึงอย่างนั้นเพราะการรัดนั้นเขาก็ไม่ตาย หรือได้รับทุกข์ปางตายเพราะเขาจับงูพิษไว้มั่นแล้วแม้ฉันใดกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเคยยะวยากรณะคาถ า, ธธาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละพวกเขาเล่าเรียนธรรมะนั้นแล้ว ยอมไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นจึงประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไตร่ตรองเนื้อความด้วยปัญญากุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะมิใช่มุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมิใช่มุ่งจะเปลืองตนจัดคำนินทาว่าร้ายย่อมได้รับประโยชน์แห่งธรรมะนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมะได้รับ ธรรมะเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกเขาเรียนธรรมะทั้งหลายมาดีแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจะพึงรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิทิใดของเราควรทรงจำภาสิทธิ์นั้นไว้อย่างนั้นเถิดเธอทั้งหลาย หากจะไม่พึงรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิทธิใดของเราก็ควรสอบถามเราหรือถามภิกษุผู้ฉลาดในพาสิท์นั้นเถิดธรรมะอุปมาด้วยแพภิกษุทั้งหลายรอจักแสดงธรรมซึ่งอุปมาด้วยแพรแก่เธอทั้งหลายเพื่อการสลัดออกไม่ใช่เพื่อการยึดถือแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลพกควงน้ำใหญ่ฝั่งนี้หน่าระแวงมีภัยเฉพาะหน้าฝั่งโน้นกเกษมไม่มีภัยเฉพาะหน้าเรือหรือสะพานสาหรับข้ามเพื่อจะไปฝั่งโน้นไม่มีเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่า เรากวน ร, รวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วอาศัยแพรนั้นใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำก็จะข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีต่อมาเขาข้ามฝั่งได้แล้วจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าแพรนี้มีประโยชน์แกเรามากนักทางที่ดีเราควรยกแพรนี้ขึ้นเทินศรีษะหรือยกขึ้นบา่า แบกไปตามความปรารถนาเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นผู้กระทาอย่างนี้จะชื่อว่าทำหน้าที่ในแพนั้นถูกต้องหรือไม่ภิษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้นชื่อว่าทำไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นทำอย่างไร จึงจะชื่อว่าทำหน้าที่ในแพ่นั้นถูกต้องในข้อนี้บุรุษนั้นข้ามฝั่งแล้วจะพึนคิดอย่างนี้ว่าแพ่นี้มีประโยชน์แก่เรามากนักเราอาศัยแพ่นี้ข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีทางที่ดีเราควรยกแพ่นี้ขึ้นวางไว้บนบกหรือให้ลอยอยู่ในน้ําแล้วไปตามความปรารถนา บุรุษนั้นผู้กระทำอย่างนี้จึงจะชื่อว่าทำหน้าที่ในแพ่นั้นถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นเหมือนกันแสดงธรรมะมีอุ ป, ปมาด้วยแพรเพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่ต้องการจะยึดถือแสดงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะซึ่งเปรียบดุจแพรที่เราแสดงแล้ว ควรละแม้ธรรมะทั้งหลายไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงอธรรมเลยสำหรับควรละแม้ธรรมะทั้งหลายในที่นี้หมายถึงสมถะและวิปัสสนาความเห็นของปุถุชนและอริยสาวกทิฏฐิฐานะเป็นชื่อของทิฏฐิเพราะเป็นเหตุแห่งสักยะทิฏฐิ ที่ยิ่งกว่าทิฏฐิเกิดขึ้นก่อนและเป็นเหตุแห่งสัสสตทิฏฐิบ้างเป็นชื่อของอารมณ์คือขันห้าและรูปารมณ์เป็นต้นบ้างเป็นชื่อของปัจจัยคืออวิชชาผัสสะสัญญาเป็นต้นบ้างภิกษุทั้งหลายทิฏฐิฐานะอกประการ น, นี้ทิฏฐิฐานะอกประการอะไรบ้าง คือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยะไม่พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษหนึ่งจึงพิจา ร, รณาเห็นรูปว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่ น, น, นเป็นอัตตาของเรา การเห็นว่านั่นของเราเป็นอาการของตัณหาการเห็นว่าเราเป็นนั่นเป็นอาการของมานะการเห็นว่านั่นเป็นอัตตาของเราเป็นอาการของทิฏฐิ 2. จึงพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 3. จึงพิจารณาเห็นสัญญาว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 4- จึงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 5- จึงพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้วอารมณ์ที่ทราบแล้วธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใกล้ครวนแล้วด้วยใจว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหกจึงพิจารณาเห็นทิฏฐิฐานะที่เป็นไปว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นแล้วว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตราของเราส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมะของพระอริยะได้รับคําแนะนําดีแล้วในธรรมะของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคําแนะนําดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษจึงพิจารณาเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญา เห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้วอารมณ์ที่ทราบแล้วธรรมมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใกล้ครวนแล้วด้วยใจว่า น, Creation, นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา จึงพิจารณาที่ถีบฐานะที่เป็นไปว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจักเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจัดดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นแลว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สะดุ้ง ในเมื่อไม่มีเหตุหน้าสะดุง้งคือภัยและตัณหาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงมีได้ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเคยมีสิ่งใดบัดนี้เราไม่มีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกละเหียใจที่ไรรำพันร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ แม้ไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุง้งจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าข้าพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเคยมีสิ่งใดบัดนี้เราไม่มีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่เลเหี้ยใจไม่พิไรรำพันไม่ร้องไห้สะอึกสะอื้น ไม่ถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุง้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่มีสิ่งภายในความสะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าข้าพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืน คงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นย่อมได้ยินตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมเพื่อถอนทิฏฐิทิฏฐานะความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลุ่มรุมแห่งทิฏฐิความยึดมั่นและอนุสัยกิเลสทั้งปวงเพื่อระ ง, งับสังขารทั้งปวงเพื่อสลัดทิ้งอุปทิทั้งปวง เพื่อความสิ้นตัญหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความดับสนิทและเพื่อนิพพานเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักขาดศูนย์แน่แท้จากพิราตแน่แท้จักไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกเละเหี้ยใจพ่ไรรำพันร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายในความสะดุ้ง ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นทูลถามว่าเมื่อไม่มีสิ่งภายในความไม่สะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่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 เพื่อความยับสนิทและเพื่อนิพพานเขาไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักขาสูนยแน่แท้จากพินาฏแน่แท้จักไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่เละเหี้ยใจไม่พิไรรำพันไม่ร้องไห้สะอกเสออื่นไม่ถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายในความไม่สะดุง้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะพึงหวงแหนสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดารงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นเธอทั้งหลายเห็นสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดารงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นหรือไม่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นสิ่งที่ปวนหัวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาบึงดํารงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้น เธอทั้งหลายจะพึงเข้าไปยึดถืออัตวาทุปาทานข้อนี้หมายถึงสักยะทิฏฐิยีสิบประการซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โศกคือความเศร้าโศกบริเทวะความคร่ำครวญทุกความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตความขับแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นเธอทั้งหลายเห็นอัตวาทุปาทาน ซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตจะไม่พึงเกิดขึ้นหรือไม่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะดีหลักถึงเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นอัตวาทุกปาทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตจะไม่พึงเกิดขึ้น เธอทั้งหลายจะพึงอาศัยทิฏฐินิสัยคือทิฏฐิ62ิประการซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่โสการิเทวะทุกโทมนั์และอุปายาจจะไม่พึงเกิดขึ้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละแม้เราก็ยังไม่พิจารณาเห็นทิฏฐินิสัย ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่โสกะบริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตจะไม่พึงเกิดขึ้นอนัตตลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออัตตามีอยู่ความยึดถือว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของเราก็จะพึงมีใช่หรือไม่ ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าค่าเมื่อสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามีอยู่ความยึดถือว่าอัตตาของเราจะพึงมีใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่าเมื่อหาไม่พบอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโดยความเป็นจริงโดยความแน่แท้ทิฏฐิที่ว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้ว จะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจากดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นเป็นภานลธรรมคือธรรมะของคนโง่สมบูรณ์แบบใช่หรือไม่นั้นเป็นพานลธรรมสมบูรณ์แบบทีเดียวพระพุทธเจ้าข่าเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้นไม่กวนเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่านึงวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคต และปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามเธอทั้งหลายควรเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งปวงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา การละสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มได้แล้วบ้างเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้แล้วบ้างเป็นผู้ถอนเสาระเนียดได้แล้วบ้างเป็นผู้ไม่มีบานประตูบ้างเป็นผู้ประเสริฐลดธงคือมานะลงแล้ว ลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วบ้างภิกษุเป็นผู้ถอนลิ่มได้แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอวิชชาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ภิกษุผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละสังขารคือชาติข้อนี้หมายถึงกรรมาพิสังขารอันเป็นปัจจัยแห่งขันที่เกิดในพบใหม่เพราะเกิดและท่องเที่ยวไปในชาติต่างๆภิกษุในธรรมวินัยนี้ละสังขารคือชาติซึ่งก่อพบใหม่ได้เด็ดขาดแล้ว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 โอรัมภิกยะสังโยชน์หมายถึงสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการคือ 1. สัจกายะทิฐิความเห็นว่าเป็นอัตตา 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสามศิลป ะ, ะตะปรามาสความถือมั่นศีลและวัด 4. กามราคะความติดใจในกามคุณและ 5. ปัติคัต ความกระทบกระทั่งในใจอันเป็นเหตุให้เกิดในการมาพบอธิบายศัพท์ก่อนเข้าเนื้อหาต่อไปคำว่าตถาคตในข้อต่อไปนี้มีความหมายสองในยะคือในยะที่หนึ่งตถาคตในคำว่าวิญญาณของตถาคตอาศัยสิ่งนี้หมายถึงสัตว์ผู้สิ้นอาสวะ ส่งมุ่งใช้เพื่อตรัสเรียกแทนพระขีนาศกผู้ไม่มีปฏิสนธิบริญนิพพานแล้วในยะที่สองตถาคตในคำว่าถ้าบุคคลเหล่าอื่นด่าบริพาทกระทบกระทั่งตถาคตหมายถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นอาสวะส่งมุ่งใช้เพื่อตรัสเรียกแทนพระองค์เองแต่เมื่อว่าโดยสภาวธรรมแล้ว ทั้งสองนัยยะนั้นมีความหมายเดียวกันคือสภาวะที่สิ้นอาสวะและปรินิพานจิตของผู้สิ้นอาสวะปรินิพานแล้วเทวดามานพรมไม่สามารถจะค้นพบได้ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอาศัยอารมณ์อะไรเป็นไปการไม่ยึดถือภิกษุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์รมและมารเศษหาภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่พบว่าวิญญาณของตถาคตอาศัยสิ่งนี้ข้อนั้นเราะเหตุไรเพราะเรากล่าวว่าในปัจจุบันใครๆจะไม่พึงพบตถาคตสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวตู่เราผู้กล่าวอย่างนี้ผู้บอกอย่างนี้ด้วยคำเทศ ซึ่งเลื่อนลอยไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคโดมเป็นผู้กำจัดย่อมบัญญัติความขาดศูนความพินาษความไม่มีพบของสัตว์ผู้มีอยู่ถึงเราจะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ตามสมณราหมณเหล่านั้นก็ยังกล่าวตูเราด้วยคําเท็จซึ่งเลื่อนลอยไม่มีจริงไม่เป็นจริงดังนั้นทั้งในการก่อนและในการบัดนี้ เราบัญญัติทุกและความดับทุกถ้าบุคคลเหล่าอื่นด่าบริพาสเกรียวกราดเบียดเบียนและกระทบกระทั่งตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสี่ประการนั้นตถาคตก็ไม่มีความอาฆาตไม่เสียใจไม่มีจิตคิดร้ายเพราะการด่าเป็นต้นนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นสักการะเคารพนับถือ ละบูชาตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสี่ประการ น, นั้นตถาคตก็ไม่มีความยินดีไม่เสียใจไม่มีความลำพองใจเพราะสักการะเป็นต้นนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นสักการะเคารพนับถือและบูชาตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสประการนั้นตถาคตมีความดมฤติอ ย, ย่างนี้เพราะสักการะเป็นต้นนั้นว่า บุคคลกระทำสักการะเห็นปานนี้ในคันธปัจจกะคือคันห้าที่เรากำหนดรู้แล้วในการก่อนเพราะเหตุนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงดา่าบริพาสเกลกราดเบียดเบียนและกระทบกระทั่งเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็ไม่ควรทำความอาฆาตไม่ควรทำความเสียใจไม่ควรทำจิตคิดร้ายเพราะการด่าเป็นต้นนั้น เพราะเหตุนั้น an, ถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงสักการะเคารพนับถือและบูชาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็ไม่ควรทําความยินดีไม่ควรทําความดีใจไม่ควรทำความลำพองใจเพราะสักการะเป็นต้นนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงสักการะเคารพนับถือและบูชาเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายกวนคิดอย่างนี้เพราะสักการะเป็นต้นนั้นว่าบุคคลกระทาสักการะเห็นปานนี้ในคันธะปัญจกักที่เราทั้งหลายกำหนดรู้แล้วในการก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขสิ้นกาลนานอะไรเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเวทนานั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้ว จกม no. no. er. ีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นสัญญานั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานสังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นสังขารเหล่านั้น ซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ชนจะพึงนํหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในพระเชตวันนี้ไปเผาหรือกระทำตามความปรารถนาเธอทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าชนนํำเราทั้งหลายไปเผาหรือกระทำตามความปรารถนาไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเราว่านั่นไม่ใช่อัตตา หรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่าอย่างนั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจัดมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานอะไรละ่ะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงลักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานลำดับพระอริยบุคคล ภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาศพอยู่จบโรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้น ย่อมไม่มีวัตตกเพื่อจะบัญญัติต่อไปในธรรมะที่เรากล่าวเวดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละโอรัมภากิยสังโยชน้าประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอบปฏิกะเปรินิพานในพรมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีก ในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยชนสามประการได้แล้วมีราคะโทสะและโมหะเบาบางภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสกัดทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์สามประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสาเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เรากล่าวไวดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏ ไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดเป็นธรรมานุสาวรีสัยธานุสาวรีภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดจะตรัสรู้ในภายหน้าธรรมานุสาวรีหมายถึงผู้เล่นไปตามธรรมท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบ ร, รุโซดาปฏิผลมีปัญญาแก่กล้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิป ต, ตะส่วนตธานุสาวรี หมายถึงผู้เล่นไปตามศรัทธาท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโซดาปฏิผลมีศรัทธาแก่กล้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นศรัทธาในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อและความรักในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมด